ภาโรขอวินาสตุมาเตภว t o ตานตารโยสุกง กายขกมภาวะทิวนานตนาสินลินสานิจางวุฒาปัจายนาจินอนจัตตาร ว, มมาวนธรรมวาทธานทีอายุวันโอสุขาง อาลังกตุเปัสนานังอากังธรมวิชาณตังอาเกหเถปัสนานังดกคีเยอนุตรเรอาเกธรมเมปัสนานังวิรังคุปสเมสุเกอาสรเถปัสนานังบุญญาเขตเตอนุตะเร